บทว่าทัศนังประหังตัดบทเป็นทัศนังปิอะหังก็การเห็นนี่นะครับมี2 อ, อย่างเนี่ยนะที่บอกว่านะตถาคตกล่าวว่าการเห็นการฟังการเข้าไปใกล้การนั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามเนี่ยนะนะคำว่าการเห็นเนี่ยเห็นแค่ไหนนะครับการเห็นนั้นมีสองอย่างคือเห็นด้วยจักษุและเห็นด้วยยานนะคือเห็นด้วยปัญญา บรรดาการเห็นทั้งสองอย่างนั้นการมองดูพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยดวงตาแสดงความเลื่อมใสนี้ชื่อว่าเห็นด้วยจักษุไม่ได้เป็นตาแข็งกร้าวายท่านนะหมายว่าไปเห็นด้วยสายตาที่เลื่อมใสเนี่ยนะจิตอ่อนโยนเนี่ยนะครับจิตอ่อนโยนเห็นด้วยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาแล้วก็ลืมตามองด้วยศรัทธาเหมือนนกฮูกมองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแบบนั้นนะครับเห็นแล้วก็เลื่อมใสส่วนการบรรลุธรรมะทั้งหลายที่ทําให้เป็นพระอริยะและความเป็น พระอริยะด้วยวิปัสสนามกและผลชื่อว่าการเห็นด้วยญาณนะครับคือเห็นเห็นอะไรครับเห็นด้วยวิปัสนาคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกแป้นหน้าตาหรือเห็นอริยมรรคอริยผลอยังไงเขาเรียกว่าเห็นอริยะด้วยญาณนะด้วยญาณแต่ความหมายในที่นี้ประสงค์เอาการเห็นด้วยจักษุแต่ว่าเห็นจักษุด้วยศรัทธาใช่ไหมครับศรัทธาเป็นสมุทฐานให้เปิดตาลืมดู นะครับแล้วก็มองแล้วจิตก็เป็นกุศลต่อไปนะครับนะไปจะดูเนี่ยไปเพื่อจะดูด้วยศรัทธาลืมตาก็ลืมด้วยสตามองเห็นเนี่ยจิตเห็นชาติวิบากใช่ไหมหลังจากเห็นก็รัรัทธาต่อไปอีกลักษณะนี้นะครับมีเฉพาะวิบากเท่านั้นแหละมาขัน้นที่เหลือจิตเป็นใจกับกุศลล้วนๆนะครับ น, นะเพราะว่าการมองดูพระญาติเจ้าทั้งหลายด้วยดวงตาแสดงความเลื่อมใสก็มีอุปการะมากทีเดียวแก่สัตว์ทั้งหลาย ไม่มากได้ยังไงครับก็ดูมตัตรกุลตรีสิครับมองเห็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไปอบายเลยนะครับเนี่ยนะบทว่าสวนางได้แก่การได้ยินด้วยหูเมื่อคนทั้งหลายพูดกันว่าพระขีนาสพชื่อโ น, น้นอยู่ในรัฐหรือชนบทในขวในคามหรือนิคมในวิหารหรือในถ้ำชื่อโ น, น้นก็มีอุปการะมากเหมือนกันนะครับแค่ได้ยินโน่ได้ยินว่าท่านอยู่ที่ไหนก็น้อมใจล้ำลึกไปเนี่ยนะฟังด้วยศรัทธานะครับ น, นะนะ บทว่าอุปสรรคกรมนังความว่าการเข้าไปหาพระเรียเจ้าทั้งหลายด้วยความคิดเห็นแบบนี้ว่าเราจะถวายทานเราจะถามปัญหาเราจะฟังธรรมหรือจัะทําสักการะเนี่ยนะครับคือการเข้าไปหานะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปใกลก้ใกเฉยๆแต่เข้าไปให้ทานถามปัญหาฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าปยิรุปปัสนังได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้เพื่อจะถามปัญหาอธิบายว่าการได้สดับคุณความดีของพระเรียเจ้าทั้งหลาย เข้าไปหาพระอริยเจ้าเหล่านั้นนิมนต์แล้วถวายทานหรือทำวัดแล้วถามปัญหาโดยในเป็นต้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอะไรคือกุศลนะครับอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกโทษอะไรปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะครับก็เข้าไปถามท่านเป็นอย่างดีแล้วก็ทำการรับใช้เป็นต้น จัดเป็นการเข้าไปนั่งใกล้เหมือนกันเข้าไปปรณิบัติอุปถักต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าอนุสติงในแก่การที่บุคคลผู้นั่งใกล้ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันระลึกถึงเนืองๆซึ่งคุ ณ, ณวิเศษมีที่พระวิหารธรรมเป็นต้นของพระเรียเจ้าเหล่านั้นเป็นอารมว่า บัดนี้พระเริยเจ้าทั้งหลายกําลังยับยัง้งอยู่ในสถานที่ทั้งหลายมีผู้ไม้ถ้าและมนต์ดบเป็นต้นด้วยความสุขจากฌานวิปัสสนามักและผลุขณะนี้ท่านกําลังเข้าปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุทัาชฌานท่านกําลังเข้าพิจารณาบรร ล, ลุอริยมรรคท่านกําลังเข้าพระสมาบัติท่านกําลังเข้านิโรสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ตามระลึกแบบนั้นเรียกว่าระลึกเนืองเนืองแบบนั้น ค, ครับสังฆ ค, คุณครับ อีกอย่างหนึ่งได้แก่การน้อมนึกถึงโอวาทที่ได้จากสำนักของพระพิทเจ้าเหล่านั้นแล้วแล้วระลึกหนึ่งอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสศีลไว้ในที่นี้โอ้โหคือพระพิทเจ้าทั้งหลายท่านก็เอาสูตร ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับมากล่าวให้เราฟังกันนะเราก็นึกถึงเออคําสอนเหล่านั้นพระองค์ตรัสศีนไว้ในที่นี้ตรัสสมาธิไว้ในที่นี้ตรัสวิปัสสนาไว้ในที่นี้ตรัสมรรคไว้ในที่นี้ตรัสผลไว้ในที่นี้นะครับโอ้โหแยกแยะเลยนะแต่อยังเมตสูตรนี่นะครับตรงหลายศีลครับกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบําเพ็ญไตรสิขานะครับเนี่ยนะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าพูดรวบยอดนะครับรวบยอดทั้งหมดเลยนะ เรียกว่าต้องการเข้าถึงจุดหมายปลายทางแห่งศาสนาจริงๆนะครับกุลบตรนั้นพึงเป็นผู้อาถารเป็นผู้ตรงเสื้อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เยอ่อหยิงสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้อันนี้เป็นศีลสิกขานะครับเป็นศีลสิกขา นะแล้วก็ต่อไปครับนะพึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเราได้เหล่าหนึง่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นพร้อมหรือพีที่เราเห็นแล้วหรือยังไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงคมคูสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆ ไ, ไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเคียดแค้นนะครับ มารดาธนอมบุตรคลเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม่ฉันนั้นกุลบุตรนั้นพึงมีเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้นอันนี้เริ่มเนี่ยระดับฉานนะครับฉันสูงล้ก่อนหน้านั้นเป็นการบำเพ็ญ น, นะครับเป็นอุบายทั้งหมดในการเจริญเมตตาแต่ถ้าระดับฉานก็พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นฉานเหมือนกัน แต่ถ้าหากว่าเมตัญญสัพพโลกส밍มานสัมภาวเยอปริมานัอนนี้ต้องเป็นระดับชั้นอย่างนี้นะครับนะว่าจเจริญเมตตาไปในโลกทั้งสิน้นทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขว้างไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนะครับและกุลบุตรผู้จเจริญเมตตานี้เดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งเมตตาจิตนี้เอาไว้เพียงนั้นนะครับ บันดิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระเรียเจ้านี้นะครับนี่เราบอกเป็นการอยู่อย่างประเสริฐอย่างแท้จริงนะครนะอันนี้เป็นทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เรียกว่าสมถะสมถานะศีลสิขาจิตสิกขาก็กล่าวมาเป็นอย่างดีนะและกุลบุตรนั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐินะครับอันนี้เป็นวิปัสสนาพร้อมด้วยอริยมรรครับนะนะโสดาปฏิมาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนนิมมักใช่ไหม ไม่ถึงการนอนในครันอีกถ้โดยแท้แล้วอันนี้อนาคามีมั้งนะครับบรรลุอนาคตมีมั้งก็ไม่ต้องมานอนในครันของผู้ใดอีกแล้วนะครับไม่ต้องมากลับมากินน้ําคล้ำอีกต่อไปนะครับนะไม่ต้องมาโอ้โหนะมันมันคล้ำทั้งคลําทั้งดําทั้งอะไรนะครับอยู่ในนั้นหมดแล้วครับ คับอนาคามีก็ไม่ต้องย้อนกลับมาสู่โลกนี้มีอันปรินิพันในโลกนั้นเป็นธรรมดานะครับก็แยกแยะให้ออกนะตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นวิปาาัสสนาเป็นมรรคเป็นผลอะไรก็แยกแยะให้เห็นแจ้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตามระลึกเนืองๆกับระลึกแบบนั้นให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็บทว่าอนุปปัฏฐังได้แก่การทําจิตให้เลื่อมใสในพระริยาเจ้าทั้งหลายแล้วออกจากเรือนบวชในสํานักของพระริยาเจ้าเหล่านั้น จริงสมัยนี้เราไม่ได้มีบุญขนาดนั้นนะครับในเรียนร่องรอยของคนมีบุญก็ยังดีนะครับในเรียนร่องรอยตามรอยของพระริยเจ้าทั้งหลายก็ยังดีนะครับอธิบายว่าการทําจิตให้เลื่อมใสในพระริยเจ้าทั้งหลายแล้วบวชในสํานักของพระริยเจ้าเหล่านั้นนั่นแล เที่ยวไปจํานงหวังอยู่ซึ่งโอวาทอนุศาสนีนะครับการแนะนําการทร่ำสอนของพระเดียเจ้าเหล่านั้นชื่อว่าการบวชตามนะครับบวชไปทําอะไรครับบวชไปให้ท่านสอนเหมือนกันเถอะบวชให้ท่านแนะนําพร่ำสอนนะครับแม้การบวชของบุคคลผู้เที่ยวไปโดยหวังโอวาทานุศาสนีในสํานักของบุคคลเหล่าอื่นก็ชื่อว่าบวชตาม ที่จริงก็เหมือนกับบวชตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ก็ไปบวชอยู่ที่อื่นะนะะแต่ก็ปฏิบัติตามคําสอนเหมือนกันการบวชแม้ของบุคคลผู้บวชในสํานักอื่นเพราะความเลื่อมใสในพระริยเจ้าทั้งหลายแล้วเที่ยวไปจํานงหวังโอวาทานุศาสนีในสํานักพระริยเจ้าทั้งหลายก็ชื่อว่าบวชตามเหมือนกันสมัยนี้นะครับหลายท่านสงสัยว่าเอ๊จะไปหาสํานักพระริยเจ้าที่ไหนท่านจะเอาพระริยเจ้าสักกี่องค์ดีนะครับผมจะแนะนําให้นะครับ สนใจไหมครับสนใจครับครับนะพระริยาเจ้านะครับพระพุทธเจ้านะครับก็ตรัสไว้ในแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันนะครับนะแล้วก็แปดหมนสี่พันพระธรรมคันเนี่ยนะครับพระพระอรหันต์ที่สังขยานานี่มีห้าร้อยองค์นะครับชุดแรกชุดที่สองเจ็ดร้ยชุดที่สามหนึ่งพันองค์นะครับแล้วก็เทรีคาถานี่ก็อรหันต์ทั้งนั้นนะครับเทระคาถาก็อรหันต์ทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นจะเอาอารหันต์ประเภทไหนก็เลือกเอาได้ตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็ทุกสูตรนี่มีผลว่าได้บรรลุมาแล้วทั้งนั้นนะครับจะเอาโอวาทคาสอนส่วนไหนประพฤติปฏิบัติก็ได้นะครับสรุปแล้วก็พระไตรปิฎกครับไปอ่านเถครับท่านจะไม่อยู่ห่างจากสํานักของพระริยเจ้านะครับส่วนการบวชแม้ของบุคคลผู้บวชในสํานักของบุคคลอื่นเพราะเลื่อมใสในบุคคลอื่นแล้วเที่ยวไปจํานงหวังโอวาทานุศาสนี ของบุคคลเหล่าอื่นไม่ ช, ช, ชื่อว่าบวชตา ม, ตามะะเช่นเลื่อมใสพระเทวทัพบวชตามพระเทวทัพอย่างเงี้ยนะครับอะอย่างเงี้ไม่ชื่อว่าบวชตามภรรยะนะคะนรับก็บรรดาบุคคลที่บวชตามนิยะดังกล่าวแล้วก่อนอื่นผู้บวชตามพระมหากัะสปะเทระมีจํานวนแสนคนผู้บวชตามพระจันทคุตเทระผู้เป็นสัตว์ทวิหาริก ข, ของพระเทระนั่นแล้วก็มีจํานวนเท่านั้นพระสุรยิยคุตเทระผู้เป็นสัตธิวิหาริก ข, ของพระจันทคุตเทระแม้นั้น พระอสุขเถระผู้เป็นสัตว์วิหาริก ข, ของพระสุริยคุถะระแม้นั้นพระโยนกธรรมรักิตเถระผู้เป็นสัตว์วิหาริก ข, ของพระอสุขเถระแม้นั้นก็ผู้บวชตามจํานวนเท่านั้นเหมือนกันเป็นแสนเลยนะครับฝ่ายพระกนิษฐาดาของพระเจ้าอาโศกผู้เป็นสัตธิวิหาริก ข, ของพระโยนกธรรมรักิตเถระชื่อว่าติดสะนะครับบุคคลผู้บวชตามพระติดสะเถระนั้นได้มีจํานวนถึง250โกดนะครับคือสายเนี้ยเยอะนะ นะสายนี้นนนเนี่ยมากเหลือเกนนะก็คือนับรวมๆเป็นยุคทั้งยุคทั้งสมัยเลยนะไม่ใช่พร้อมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าสายนี้เนี่ยนะมีผู้ที่บวชตามประมาณเท่าไหร่เขาจะนับจํานวนดูนะเช่นเมืองไทยเนี่ยนะปีนี้บวชกี่คนอะไรศึกมั่งอะไรมั่งเราไม่นับเอาแต่เฉพาะยอดที่บวชขึ้นนะอธิบายลักษณะนี้นะครับนะอ๋อพระพระนี่ก็สายสายพระมหากษัตริยนะส่วนบุคคลผู้บวชตามพระมหินเถระผู้ยังชาวเกาะให้เลื่อมสายนับจํานวนไม่ได้ ก็าศาสนาอยู่ที่ประเทศศรีลังกาตั้งเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับเพราะฉะนั้นบวชแต่ละปีแต่ละปีนี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อยู่เรื่อยๆ เ, เ, เพราะฉะนั้นใครจะไปขยันนับอ่ะเพราะฉะนั้นในเกาะลังกาผู้ที่บวช ด, ด้วยความเลื่อมใสในพระาศาสนาตราบจนเท่าทุกวันนี้ก็ชื่อว่าบวชตามพระมหาเมหินทเถระทั้งนั้นนะครับผู้ที่บวชในเกาะลังกาทั้งหมดเลยนะครับ บัดนี้เพื่อจะสแสดงเหตุที่พระ อ, องค์ตรัสว่าการเห็นพระริยเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นมีอุปการะมากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่าตถารูเปเป็นต้นในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าตถาลุเปได้แก่พระริยเจ้าเช่นนั้นคือผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยาณทัศนะนะเพราะเหตุที่การเห็นการฟังและการหมันระลึกถึงเป็นเหตุ ของการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเฉพาะการเข้าไปหาและการเข้าไปนั่งใกล้ไม่พาดพิงถึงการเห็นและการได้ยินและการหมันระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสโตวะพชโตปยิรุปาสโตดังนี้ก็การได้เห็นและการได้ฟังการระลึกถึงเนืองๆคุรบุตรจึงเกิดศรัทธาในพระริยเจ้าทั้งหลาย แล้วเข้าไปหาเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้พระริยเจ้าเหล่านั้นถามปัญหาได้สวรรานุตริยะเห็นนิทัศนานุตริย ะ, นนนนยะฟังนี้เป็นสวนานุตริยะก็จกได้บำเพ็ญคุณมีศีลเป็นต้นที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ทําให้บริบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากุลบุตรผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ เมื่อโสลงฟังนะครับเมื่อมีโสตลงฟังแล้วก็ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้ได้ทรงจําไว้ได้แล้วก็เอามาตรึกมาตรองมาไตรามาใคร่ครวนมาเพ่งพิจารณาก็จะทําให้เกิดฉันทะอุตสาหภาพาเพียรพยายามใคร่ครวญใ้ลึกซึ้งไปมีกายและจิตส่งไปแล้วในคําสอนเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนี้เป็นต้นนะครับห่างไกลาจากธรรมวินัยนี้แล้วนะครับ นะดูได้ในกีตาคิริสูตรพิคุวัคมัชิมนิกายมชิมะปัญ น, นาตนะครับกีตาคิริสูตรนะครับนะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็จากาศาสนามาเมินแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเสวะโตได้แก่การเข้าไปหาตามเวลาอันสมควรด้วยวัดและวัดตอบนะครับ คือหมายคาอว่าเข้าไปหาท่านด้วยการเข้าไปประพฤติวัดนะครับเข้าไปประพฤติวัดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้นเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับบทว่าพระชตโตได้แก่ครบอยู่ด้วยอำนาจความรักและภักดีบทว่าปยิรุปาสโตได้แก่การเข้าไปนั่งใกล้ด้วยการถามปัญหาและทําตามข้อปฏิบัตินักศึกษาพึงทราบการจาแนกความหมายของบททั้งสาดังกล่าวมานี่ ความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัศนะพึงทราบได้ด้วยการเกิดขึ้นแห่งปัจเจกขณะยานที่สิบเก้าที่สิบเก้าโหปัจเจนะปัจเจกขณะยานของพระโสดาบันมีห้าของพระสกทาคามีมีห้าของพระนาคามีมีห้าของพระอรหันมีห้านะครับของพระโสดาบันมีห้าก็คือพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพนธ์พิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือ ทศก atha คามีก็ห้าเหมือนกันภานาคามีก็ห้าเหมือนกันส่วนพท่ารหันเนี่ยนะครับพิจารณามักพิจารณาผลพิจารณานิพานพิจารณากิเลสที่ละแล้วนะครับกิเลสที่เหลือไม่มีก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นพท่ารหันมีสี่นะครับเพราะฉะนั้นโสดาห้าสก a t h นาคาอย่างละห้านะครับเป็นสิบห้าละ ของภาฐันอีกสี่ก็เป็น19เกเพราะฉะนั้นวิมุตติยานทัศนะในที่นี้ก็เอาที่19เ้าแล้วเอาสุดท้ายเลยนะครับในบทว่าเอวรูปเจเ ต, เตพิกเวพิกูเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้พิกษูเหล่าใดเห็นปานี้คือเป็นเช่นนี้ได้แก่ทำลายกิเลสได้หมดสิ้นเพราะประกอบด้วยคุณภาพที่กล่าลวแล้วนะครับคือศีลสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะครับภิกสูเหล่านั้นเรียกว่าศาสดา เพราะพร่มสอนโดยการประกอบสัตว์ทั้งหลายไว้ในประโยชน์เกื้อกูลนะมีทิ่จะทมิกระทาประโยชน์นะประโยชน์เกื้อกูลในโลกนี้ประโยชน์เกื้อกูลในโลกหน้าประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยนะครับเรียกว่านายคารวานผู้นําหมู่พ่อค้านะครับเพราะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานมรณะกันดานวัตตะกันดานกิเลสกันดานเนี่ยนะครับนายคารวานเนี่ยนะผู้นําหมู่เนี่ยนะครับก็จะนําให้ข้ามพ้น เรียกว่าผู้ละกิเลสเครื่องยียวนเพราะละกิเลสเครื่องยียวนมีราคาเป็นต้นได้ด้วยตนเองและก็สอนคนอื่นให้ละตามบ้างนะที่จริงนะถ้อยคำพันนาทั้งหมดเนี่ยเป็นอธิบายพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าผู้บรรเทาความมืดเพราะบรรเทาความมืดคือวิชาด้วยตนเองและสอนผู้อื่นให้บรรเทาตามบ้างเรียกว่าผู้ทาแสงสว่างเป็นต้น เพราะทำให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาโอภาษคือปัญญาและความโชดช่วงคือปัญญาในสันดานของตนและบุคคลอื่นบ้างเรียกว่า ผ, ผู้ทำรัศมีบ้างผู้ทรงคบเพลิงบ้างเพราะทำธรรมะให้ดาดาดไปด้วยรัศมีคือยานะเรียกว่าพระอริยะเพราะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลาย เพราะไม่ดําเนินไปในทางที่ไม่ควรดําเนินเพราะดําเนินไปในทางที่ควรดําเนินเพราะอันชาวโลกกับทั้งเทวโลกพึงดําเนินตามนี่เรียกว่าอริยะนะอริยะก็ไกลาจากกิเลสนะครับไม่เดินทางที่ผิดดําเนินทางที่ถูกแล้วก็ทําให้ชาวโลกเป็นต้นดําเนินตามเรียกว่าผู้มีจักสุเพราะได้ปัญญาจักสุและธรรมจักสุอย่างดียิ่งส่วนในคาถานะครับในคาถาที่พระ อ, องค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า การได้เห็นพระริยเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมเป็นเหตุแห่งการกระทําซึ่งความปราโมดแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคําสอนของพระริยเจ้าทั้งหลายผู้ทํารัศมีผู้กระทําแสงสว่างเป็นนักปราดผู้มีจักสุผู้ละข่าศึกคือกิเลสประกาศพระสัทธรรม ยังสัตว์โลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู้พบใหม่นี่นะครับอัตกะทาที่บายว่าบทว่าปาโมชกรณัฐานังได้แก่ที่ตั้งคือเหตุให้บังเกิดความบันเทิงใจที่ปราศจากอามิต ท, ท่านกล่าวถึงนิทัศนะคือตัวอย่างที่จะพูงกล่าวในบทนี้ว่าเอตังบทว่าวิชานตังได้แก่ รู้จักความเศร้ามองและผ่องแผ้วตามความเป็นจริงนะครับอะไรเศร้ามองอะไรผ่องแผ้วเ น, นี่ยนะของฌานวิปัสนาเนี่ยนะครับบทว่าภาวิตัตานังได้แก่ผู้มีสภาวะอันอบรมแล้วคืออบรมจิตแล้วนะครับนะพาวิตตตานังเนี่ยนะก็คือเป็นคนอบรมจิตแล้วอธิบายว่าผู้มีสันดานอันอบรมแล้วด้วยการอบรมทางกายเป็นต้นนะครับเป็นผู้มีกายะภาวนาเป็นต้นบทว่าธรรมชีวินังความว่า เชื่อว่าผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมเพราะละมิจฉาชีพแล้วเลี้ยงชีวิตโดยธรรมคือด้วยญายธรรมเพราะนำอัตภาพให้เป็นไปด้วยธรรมคือด้วยญายธรรมบ้างเพราะเป็นผู้อยู่ด้วยผลธรรมอันเลิศเนื่องจากมากด้วยสมาบัติบ้างนะคือสรุปและชีวิตของท่านอยู่อย่างพราสุกเลยนะครับ ในบทนี้มีความย่อดังนี้ว่าการเห็นพระริาเจ้าทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วผู้สำเร็จสมาธิภาวนาและปัญญาภาวนาผู้ชื่อว่าเป็นอยู่โดยธรรมเพราะทำการอ บ, บรมตนและสำเร็จภาวนานั่นเองชื่อว่าเป็นเหตุแห่งปีติและปราโมทย์โดยส่วนเดียวเท่านั้นสำหรับบุคคลผู้มีปัญญารู้แจ้ง เพราะเป็นเหตุแห่งความบริบูรณ์แห่งคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นซึ่งนํามาซึ่งความไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะครับหมายก็ว่าถ้าหากว่ า, าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับท่านนะครับก็จะเป็นเหตุให้ได้รับปีติปราโมทนะครับเพราะอะไรครับเพราะ จะได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลนี่ยนะครับย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสาร น, นำมาซึ่งปราโมทนำมาซึ่งปีติปัสสัตที่สุขสมาธิยถาภูตยานทัศนะนิพิทาวิราคะวิมุตมติยานทัศนะนะครับเนื่องจากคุกคลีกับท่านก็จะได้รับคุณธรรมเหล่านี้โดยลำดับบัดนี้เพื่อแสดงความที่การเห็นพระริยาเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสองคาถาท้ายว่า เตโชตยันติบรรดาบทเรานั้นบทว่าเตได้แก่พระเรียเจ้าเหล่านั้นผู้อบรมตนแล้วมีปกติอยู่โดยธรรมบทว่าโชตยันติได้แก่ทําให้ปรากฏบทว่าภาสยันติได้แก่ทําโลกให้สว่างด้วยแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมอธิบายว่าแสดงธรรมแสดงธรรมก็ให้โลกนี้สว่างครับโลกไหนครับขันโลกขันทโลกอายตนะโลกนะครับพวกนี้นะครับ โลกนี่โลกหนึโลกสองสามส็ดป9เก้นี่นะครับโลก18บนะบทว่าสัมมัฏฐานยายะได้แก่รู้โดยชอบทีเดียวด้วยญาณอันเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับรู้โดยชอบนะส่วนเบื้องต้นก็นับตั้งแต่วิปัสนาญาณทั้งหลายโดยลําดับไปนะครับก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงนะครับนี่ก็อัตถิฐาศีและสูตรนะครับมาเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับคนดีก็จะพลอยได้ดีกับเขาไปด้วยนะครับนี่นะตามลักษณะ ใบายากาที่ห่อกฤษณนานะครับใบายากาเหล่านั้นก็จะพลอยหอมไปกับเขาด้วยนะครับถ้าได้เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็สามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะครับ